นี่มองเห็นนะแต่นี้จะได้เห็นจะได้เห็นความอันตรายของธรรมะนี่อันตรายยิ่งธรรมทำไมเนอะเราจึงไม่ค่อยได้ตัดจะรู้อะไร <c oughs> น่าจะสอนผิดมานาเลยท่ากระชาตินี้ก็เล่นผิดเป็นนั้นกันเนะี <c oughs> ่ยจม <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้แก้ตัวแล้วงั้นเราแก้แก้แล้วจะผลปอมใหม่เราดิโผู่ <c oughs> ปอมใหม่แล้วยุ่งเนอะ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 แสดงว่ากรรมประเภทที่เราธรรมะวิปลิตนี่เราไม่เคยให้มก็พยายามระมัดระวังตรงนี้ไว้เนาะทีนี้ในคําสอนต่างๆตรงนี้ท่านก็พูดถึงเดี๋ยวดูดูในรายละเอียดตรงนี้ก่อนเนาะบอกว่าจากักรสูความไม่เป็นไปของจกักขูประศาทและตัณหาที่เป็นปัจจัยให้จกักรขูทั้งสองเกิดเนี่ย น, นะหรือจกักรสูและธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดจกักรสูนั้นน่ยความไม่เป็นไปได้แก่เหตุแห่งความไม่เป็นไปก็คือเป็นนิโรธาสาจาัจนะ เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็นเหตุให้แทงตลอดนิโรธ ด, ด้วยอำนาจถึงการตัดสรลุหรือทําให้แจ้งนะด้วยการยกขึ้นทีระบทด้วยคําว่าจากักขุจักขุสมุทะยะจกักขุนิโรธาจากักขุนิโรธาคำนีปุวิทาก็ไล่ไปตามลําดับเลยแต่นี้นะอันนี้โอ้โหไปไล่า ย, ยาวเลยแตเนี้ยแม่ในดีกาท่านก็ท่านก็ไล่เข้ า, าขไว้ในนี้เอาเออดีกามาเอาอาเยตนามาไล่เลยเนี่ยจกักขุมาไล่ก่อนเนะาะจักขุ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 เอากรรมชะลูบที่มีจกักรุปราศตั้งอยู่นั่นแหละเอามาวิจัยได้เป็นทุกขสัตย์คำว่าเป็นทุกขสัตว์ในที่นั้นนะ่ะทั้งสองส่วนนะทั้งปัจจาลักษณะแล้วก็สามัญลักษณะก็มาวิจัยอยงน้เน่ยรอบรู้รอบร้อทุกขสัตย์แล้วเชื่อมโยงไปดูตัณหาที่เป็นปัจจัยกับจกักรุปราศเกิดนี่นีนกล่าวมัอย่างนเนี้ยเนี่ยกล่าวมาลักษณะอย่างเนี้ยหรือหรือวิธีไล่เนะี่ยไล่ไปตามทวาวรก็ได้จกักรุปรารศโลภรมจักรุญาณจักรุสัมปัตจักขุสัมปัสชาเวทนา